ความสงบความสงบนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักว่าเราจะทําอะไรมันก็ไม่ค่อยจะสงบที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะเอาชนะให้พยายามคิดว่าเราจะเอาชนะตนเองอย่าไปคิด เหมือนคนทั่วไปเขาคิดคนทั่วไปเขาคิดจะเอาชนะคนอื่นชนะคนอื่นชนะผู้อื่นชนะออกไปข้างนอกไปเห็นว่าเป็นจัตรุรูก็เห็นว่านู่นแหละจัตุรูก็อยู่ข้างนอกแหละบุคคลนั่นบุคคลโน้นออกไปนูน่นในเมื่อมีความเห็นอย่างนั้น มันก็ห่างจากความเป็นจริงไปทุกทีที่จริงแล้วศัตรูที่แท้จริงเนะี่ยมันอยู่ในเราเนี่ยมันอยู่ในกายมันอยู่ในวาจามันอยู่ในจิตใจของเราเนี่แหละนี่คือศัตรูที่จริงๆเอาแล้วทําไมเราจรึงไปเห็นว่าศัตรูมันอยู่ข้างนอกก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันหลอก หลอกให้เราหนีนี้ออกไปต่อยไปตีไปต่อสู้ไปฉุดพิงก็ไปพิงก็ข้างนอกแหละไปต่อไปตีปตตป ก, ปกับข้างนอกแหละให้เราไปโกรธไปโกรธก็ไปโกรธกันข้างนอกโกรธเข้ามาในตัวเองเนี่ยมันมีสักทีความจริงความไม่ดีนะ่มันอยู่ในนี้ไม่ใช่จะ อ, อยู่ที่นู้นเราไปเห็นว่าคนนู่นมาด่าเรา เราไปนวดคนนน่นมาทําร้ายเรามาเบียดเบียนที่จริงแล้วเน่ยพู้ที่เบียดเบียนอยู่ในนี้น่ะเบียดเบียนทุกวันทุกวันเน่ยอยู่ในเนี่ยคือความไม่ดีอยู่ในนี้ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแหะถ้าสรุปนะความโลภความโกรธความหลงนี่มันหมักหมมอยู่ในนี้ในตัวนี้แหละเป็นตัวทําความเดือดร้อนให้เอ้าเราลองคิดดูง่ายๆก่ะ สมมติว่าเราคิดว่าคนหนึ่งเขาเป็นศตูเราเนี่ยแล้วเขากลางวันไปทะเลาะกันแล้วไปต่อยไปตีกันมาไปรบกันมาแต่เมื่ออยู่ใครอยู่มันแล้วเน่ะอยู่ใครอยู่มันแล้วทําไมเราจึงโกรธจึงชังจึงเจ็บปกเจ็บใจอยู่เนี่ย่สม ม, มุติว่าคนนั้นเขาอยู่สะบ้ายเขากินข้าวกินตลาแล้วนอนหลับสบาย บางทีเขาไม่รู้เลยครับว่าเขาได้เดือดร้อนทําอะไรเดือดร้อนแกเราเขาไม่รู้จักเลยครับเขาอยู่สบายแต่ว่าเราทําไมมันนึกเดือดร้อนอยู่ในนี้อะไรเล่าที่มันทําให้เดือดร้อนอยู่นี้คือความโกรธะความโกรธความเครลิงแล้วความโกรธมันอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ต้นไม้หรือหรือมันอยู่บ้านของคนโน้นหรือมันอยู่ที่หน้าวัดโน่นเลย คิดแค่นี้เราก็จะรู้จักหรอกความโกรธมันอยู่ในใจเรานี่แหละมีใจจิตใจเราไม่สงบก็เพราะมันมีไอตัวนี้อยู่คุ้งท่านอยู่ในนี้เมื่อรู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าตัวการเนี่ยมันคืออยู่นี้จังหาแต่ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้นะกว่าจะยอมรับอย่างนี้เนี่ยโอ้นานอยู่นานจริงๆ ไม่ยอมรับหรอกแต่อย่างสมมุติว่าจะปราบหรือจะแก้แค้นก็ไปแก้แค้นคนนู้นแหละจะไปแก้รั้ก็ไปแก้รัมคนนู้นแหละถึงจะหายก็เลยกว่าจะรู้กว่าจะกลับมารู้เรื่องนี้ลำบากมากต่อเมื่อได้มาฝุดพ้นอบรมจิตใจให้ด้ความสงบก่อน ให้มีความสงบแล้วจะพิจารณาให้มันจริงๆจังอย่าจังไปเห็นคาําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกบอกคนเรานี่นะเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังอนาตาัตตาลองคิดดูดิแล้วมันจะอยู่นานเท่าไหร่คนเราถ้าอย่างสมมติเราไปทะเลาะเบาอแวงกับคนนั้นอ่ะคนอื่นนี่ไปเป็นตัตรูศัตรูคือนูน้น ฆ่าศึกือนู้นไปจะเลาะบอกแว้งเอาไปจบไปตีต่อยตีกันฆ่าฟันทำราร่ฆ่าศึกที่เราคิดว่าฆ่าศึกเนี่ยทำไร่จนย่อยยากไปตายไปแล้วเราพ้นเมื่อไหร่ต่อไปภายหน้าเราก็จะต้องแก่ต้องเฒ่าเจ็บไข้เลยป่วยทุกคนทรมานตายเหมือนกันเนี่ย เพราะฉะนั้นมันน่าจะสรุปแล้วว่าในจริงๆแล้วนะถึงจะไปชนะมาแตงูเพราะยังแพ้อยู่แพ้อะไรแพ้อยู่ในตัวนี่แหละขนาดที่ยังไม่ตายก็แพ้แล้วแพ้ความเจ็บช้ำน้าใจเจ็บช้าน้าใจใครเจ็บช้ำเราเองนั่นแหละเจ็บช้ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะเอาชนะตัวเองดีกว่ามีพระพุทธภาษิตของพระพุทธองค์ ยืนหยันไว้อยู่ว่าการชนะตนเองเป็นการชนะที่ชนะได้ยากแล้วการที่ชนะตนเองเป็นการชนะที่ประเสริฐไปนชนะคนอื่นจะประเสิดอะไรไแค่ไปเดียวเดียวก็ก่ตาวแล้วไปเดียวเดียวก็ก่อนหนี้หนีไปอยู่แล้วส่วนเรานี่สิมันอยู่ด้วยกันจังเกิดไหนแต่ไหนมันจะต้องตายไปจากกันมันอยู่ด้วยกันตกกนนอนลอดเวลา แล้วจะอยู่ด้วยกันด้วยความระทมทุกข์ด้วยความเป็นตระูกันอยู่อย่างนี้ น, นมายอวามว่ากลับมาเอาชนะก็ชนะในนี้ตอนจริงการชนะตนเองนี่ก็คือการเอาชนะกิเลสท่านบอกว่าจิตใจของคนเราทีแรกจิตเดิมแท้ทนว่ะจิตเดิมแท้นสะอาดบริสุทธิ์ แต่มันมัวมันหวงมันเดือดเป็นร้อนมันกลุ่มรุมเดือดร้อนเกิดความลาบากต่างๆนั่นเพราะอะไรเพราะมันมีความไม่สะอาดมันมาเข้ามามาพอกมาปุ่มมาปิดมาบังเสียอะไรอย่างนั้นการเอาชนะของเราจริงเอาชนะไม่เคยเอาชนะจิตใจต้องตนเองอะไรเอาชนะกิเลสแต่เนื่องจากว่ากิเลสมันมามั่วสุมกัน โมโหสูงกับจิตจิตมันก็เลยถือว่าอันนั้นเป็นเพื่อนกันเลยอยู่ด้วยกันเลยแนกคิดติกกันเวลาเราจะทุบจะถองหรือจะขัดจะถูมันเลยก็เลยไปถูเอาจิตเอาใจพอจิตใจเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเลี้ยวไล่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องฝึก อ, อย่างเช่นเรามีความรู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจจะทำความภาคความเพียรเนี่ย ถ้าเราเ อ, อาชนะตัวนี้ได้โอ้โหมันดีจริงๆความข ย, ยันมันเย็นเกิดขึ้นมความเบิกบานจิตใจก็เกิดตามขึ้นมาทำอะไรอะไรเต็มไปได้วยความข ย, ยันขันแข่งเต็มไปได้วยความเบิกบานล่มเย็นในใจิตในใจแต่ถ้ามีความขี้เกียจอยู่จากใจนะถึงจะทำก็ทำาปด้วยแกลนงก็ทำไปด้วยความ เ, เสียไม่ได้ ทำไปได้วยเหตุกฎระเบียบมูคนะเขาว่าอย่างนี้เลยจะต้องทำํำก็เลยเป็นการฝ่าการถือเนเป็นเรื่องเดือดเรื่องร้อนอยู่ในนั้นนี่เพราะเราเอาชนะมันยังไม่ได้ถ้าเอาชนะได้แล้วน่ยโอ้สบายมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรเป็นเรื่องของสิ่งที่ให้ความเบิกบานให้ความร่มเย็นในใจในกิตในใจของตนอย่างของโกรดนี่ก็เหมือนกัน ถ้าสามารถเอาชนะได้ชนะตนเองชนะความโกรธซึ่งมันจะเป็นยังไงเราก็อยู่สบายจิตใจกระลมเย็นได้แทนที่จะขุ่นจะมัวจะเดือดจะร้อนเผาไหม้เผาหลนอยู่นั้นทําจิตใจให้สงบลงได้ก็คือเอาชนะความโกรธได้เอาชนะความโกรธก็คือเอาชนะความรุ่งรานต่างๆจิตใจที่ดินน้นรนทุ่งรานเพราะความโกรธบา้างเพราะความโลภความหลงมัอน เอาชนะอันนี้ต่างหากเอาชนะอันนี้จึงจะดีและก็ถูกจุดถูกเป้าหมายถูกความหมายของการที่เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เป็นคนถูกเป้าหมายแห่งความมาเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราเอาชนะนะมเตะเอาชนะที่ไหนอื่นลอไม่เอาชนะฆ่าคารนกันเมื่ออย่างที่เคารพกันเอายกประเทศไปโลกกันเป็นสงครามโลกเป็นสงครามอะไรต่างๆเขานี่ ชนะแบบนั้นนไม่ประเสริฐอะไรหรอกนั่นน่ะว่าชนะมาแล้วก็ยังทุกข์อยู่เจ้าของหนึ่งแต่ถ้าชนะแบบพระพุทธจเจ้าคือชนะข่าสึกที่แท้จริงที่มันแอบอยู่เนี่ยชนะตัวนี้แล้วชนะหมดไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ถึงแม้ว่าสภาพเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรสภาพตัวเราเองสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพภูสภาพคนสภาพบ้านเมือง อะไรต่างๆเป็นไปแปรไปตามวิถีการต่างๆก็ยังจะร่มเย็นอยู่จิตใจยังร่มเย็นอยู่ได้ดังนั้นเราที่เป็นนักปฏิบัติก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าชั้นแนวหน้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องรู้ราวรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนกว่าเพื่อนก็ควรจะเอาชนะตนเองนี่แหละการที่ไปเที่ยวมองคนอื่น มองดูผู้อื่นว่าผู้นั้นปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกสายตาอะไรอย่างนี้นะแทนที่จะทําอย่างนั้นเสียเวลาเสียกําลังจิตใจของตนเองทําให้จิตใจเราเศร้าหมองกลับขึ้นมาดูเราเองดีกว่ามาเอาชนะมีหลายอย่างที่เราจะต้องเอาชนะความเกลียดค้านก็มีความลังเลก็มีลังเลสงสัยความหวาดหวั่นหวาดตัว ความโลเลความอยากหลายหาอย่างที่เราจะต้องเอาชนะเอาชนะในใจหรือเอาชนะในด้านล่างทางร่า ง, ง, างกายการประพฤติปฏิบัติการพูดการจานมีหลายอย่างที่เราจะต้องเอาชนะให้เกิดความดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นงานเรามีเยอะอยู่ถ้าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ควจะกลับมากลับมามาดูแลตนของตนเอง มาปราบก็ปราบในนี้แหละจะส่งเสริมก็ส่งเสริมในนี้แหละอย่างนี้จึงจะถูกจึงจะไม่เสียเวล า, ปาเปล่าๆปล่าต่อไปนี้เราฟังเทศของหลวงปู่กันนั่งภาวนาต่อ